สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้า ว, วันนี้เป็นวันสงกรานต์วันที่13เมษายนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพี่น้องบางท่านก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่จะไปท่องเที่ยวกับไปบ้านเยี่ยมญาติหลายคนก็อาจจะกำลังเดินทางอยู่ขอพระเจ้าเมตตาอวยพระพรอารักขาทุกท่านให้ได้รับความปลอดภัย ไม่ว่าท่านจะไปยังที่ใดก็ตามขอพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยบางท่านอาจจะไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพก็ขอปรุงทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือให้เกิดสิ่งดีๆในวันหยุดนี้พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อเราจะพบในพระธรรมยอห์นบทที่11เครับเป็นเรื่องของมาธามารีและลาสลัสพี่น้องครับ ผมย่านในข้อที่26นะครับ 25-26 จนถึงข้อที่38ย้อนบทที่11ข้อที่ 25-26 จนถึงข้อ38ครับโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้นแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมาทาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระองค์เจ้ า, า, าค่ะขาโปรงเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกเมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับ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 เขานั้งหลายจึงตามเธอไปนึกว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ครั้นมารีมาถึงซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่ประบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็สะเทือนพระไถย และทรงเป็นทุกพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือ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 เจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราเชื่อเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ในวันนี้เป็นการแบ่งปันจาก20กฎทองคาครับการที่เราเชื่อนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะทรงปรากฏแก่ผู้ที่มีความเชื่อครับ ความยิ่งใหญ่ที่กล่าวถึงนี้ก็คือฤิธานุภาพของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้ลาสลัสเป็นคเครื่อมาความตายและได้เป็นจริงตามนั้นนี่คือการอัศจรรย์ในชีวิตของเราครับเป็นการอัศจรรย์ซึ่งไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการฟื้นคืนชีวิตเพียงแค่ร่างกายแต่พี่น้องครับจิตวิญญาณของเราก็จะฟื้นคืนด้วย แต่ถ้าเพียงแค่การฟื้นคืนร่างกายร่างกายก็จะต้องตายอีกครับแต่การฟื้นคืนในด้านจิตวิญญาณมีความหมายมากกว่าหากเราอยากเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อพครความเชื่อทำให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าพี่น้องปรารถนาะหรือเราเองคุณและผมปรารถนาะที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อครับ พี่น้องครับเราเห็นว่าพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์พวกยิวที่ขี้อิจฉาพวกนี้เล่นการเมืองและเมื่อเขาเล่นการเมืองการเมืองคือผลประโยชน์ครับผลประโยชน์มาบังเขาทำให้เขาไม่เห็นว่าพระเยซูเป็นใครและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเขายังปรารถนาที่จะฆ่าพระเยซูคิดแผนชั่วพระเยซูก็เลยไม่ทาการอัศจรรย์ หรือทำการอัศจรรย์น้อยลงและหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้จะทำร้ายทําลายแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับคนเหล่านี้เขาไม่เปิดใจยังไงสิ่งอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาก็ไม่เห็นและปฏิเสธด้วยซ้ำแลนนี่คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่ครับเป็นอุปสรรคใหญ่เป็น เหมือนกับกำแพงหนาที่กันเข้าไว้ไม่ให้เข้ามาถึงพระคุณของพระเจ้าความไม่เชื่อนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องกําจัดออกไปและคนบางคนที่เขาไม่เชื่อคนบางคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคนบางคนที่รู้สึกว่าความสาคัญและความยิ่งใหญ่ของเขาเองนั้นจะหายไปสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ เป็นกำแพงหรือเป็นกับดักของชีวิตที่คนเหล่านั้นจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนเหล่านั้นจะไม่สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่โดยฤท ธ, ธานุภาพของพระเยซูพี่น้องครับอย่าให้เรามีใจไม่เชื่อมีใจแข็งกระด้างหรือมีใจที่ต่อต้านเพราะว่าขัดผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทาให้เกิดการเมือง ทำให้เกิดความเวลวร้ายทําให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่นํามาถึงความไม่เชื่อในที่สุดชีวิตเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลคุณของพระเจ้าในขณะที่มาธิมารีมาธานั้นมีความเชื่อเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระเยซูตรัสว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้ก็คือการอัศจรรย์ครับ ริษฐานุภาพที่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อวานนี้มีการขอให้อธิษฐานเผื่อคนที่เคยแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันเวลานี้อยู่ใน ICU ครับหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องท่านนี้ด้วย แต่จากการเจ็บป่วยของท่านนั้นเราจะเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตครับความไม่แน่นอนของชีวิตคนที่ออกกำลังกายคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างดีพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ขอพระเจ้าช่วยเราและขอพระเจ้าช่วยพี่น้องท่าน น, า น, นี้ที่จะได้เห็นถึงการอัศ จ, จรรย์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า สิ่งต่างที่เราพบในชีวิตของเราทุกๆวันพี่น้องครับล้วนแล้วแต่การที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์การที่เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนการที่เราไม่เกิดอุบัติเหตุการที่เราไม่เกิดสิ่งร้าร้ายในชีวิตก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอสําหรับเราแต่ละวันเสมอแต่สําหรับผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากลําบากอยู่ในความเจ็บป่วย ผมเองนั้นก็อยากจะหนุนใจครับว่าพระเจ้าได้ประทานบทเรียนให้เราเรียนรู้ในการพึ่งพาไว้วังใจพระเจ้าครับพระเจ้ามีแผนการพิเศษกับชีวิตของเราแต่ละคนอย่าเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากอย่าเมื่อเราถูกข่มเหงอย่าเมื่อเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไร้ายในชีวิตของเรา สำรวจตัวเองครับว่าเราได้ทำบาปอะไรบ้างหรือเปล่าสารภาพบาปเราจะต้องรู้บทเรียนของพระเจ้าเมื่อเราผ่านบทเรียนนั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปของพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองอารักขาและรักษาพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ด้วยการถวายเกียรติแด่พระองค์และชีวิตของเราก็อยู่เพื่อองค์พระเยซู อยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอยู่เพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์อเมน